ตำนานหลวงปู่คำคะนิงเที่ยวเมืองพญา 30 ปีก็ จึงอําลลเป็นเวลานานถึง 15 ปีไม่อยู่แต่ในป่าเป็นวัดเข้าอยู่หมู่บ้าน 7 วัน 15 วันฉันอาหารครั้งหนึ่งเป็นการบัพเพตตบะอย่างแรงกล้าเพื่อพิสูจน์กําลังและความทรหดอดทนของตนว่ามีความกลัวตายไหมอาลัยยืนิเรสังขารร่างกายขนาดไหนจากปฏิบัติตนดาบฤๅษีชีไพรอย่างยิ่งยวดนี้เองทําให้ท่าน มีความสุขอย่างหาที่เปรียบมิได้ในองค์ฌานสมาธิเป็นพระฤาษีผู้แก่กล้าฌานสมบัติสามารถเข้าฌานได้นานวันโดยไม่อ่อนเพลียไม่หิวโหยร่างกายกระชุ่มกระชวยแข็งแรงเป็นปกติสามารถเดินทุรดงขึ้นเขาลงห้วยได้เหมือนคนหนุ่มฉกรรจ์เพียงแต่ว่าร่างกายไม่อ้วน ร่างกายผอมเกร็งแขนขามือกำได้รอบแต่ทวารแข็งแรง sawai suk nechan จนเบื่อหน่ายเห็นว่า ก็ยังไม่ยอมเข้าอยู่หมู่บ้านมั่นอยู่ในสัจจะอธิษฐานๆมุ่งถือ ไทธุดงไปจํารพันษาตามท่านตามทิวเทือกเขาๆทํามือชาวบังบดหลวงปู่คําคะนิงได้ ถ้ำมืดนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหลชาวเมืองลับแหลหวงแหนมาแต่วันดีคืนดีใครมีวาสนา คือเมืองบาดาลของพระญาณนาอยู่ใต้แม่น้ํา ทะลุไประยะทางนับร้อยกิโลเมตรแก่งซึ่งเป็นเมืองบาดานนี้ไปทะลุออกเมืองแถวเมืองยวนสีทันดรเห็นตรงกันว่าเป็นความจริง ได้มีชาวบ้านพวกแสวงไม่มีเหล็กไหลไม่มีสมบัติโบราณแต่อย่างใดเลย พวกคนโลภโมโทสันทั้งหลายต่างผิดหวังพา ทั้งทั้งที่จุดคบไฟสว่างหัวเกี่ยววันอดข้าวอด 16 จึงหา มีอยู่วันหนึ่งยวน 1 พระอาจารย์คำดีก็กลัวอันตรายชาวบ้าน หลวงปู่คำคะนิงย่อจะพิสูจน์ความจริงเรื่องธรรมมืด ในถ้ํามืดนั้นสามารถใช้เป็นห้องประชุมๆคนทีเดียวในถ้ํามืดมีค้างเขา หรือแกะบนผี 3 เทวดาหลวงปู่คําคะนิงได้ออก คณะของอาจารย์หรือเจ้าของเขาไม่เปิดทางให้ดีทุกคนนั่งล้อมวงกันและนั่งสมาธิใจว่าคง เมื่อหลวงปู่คําคะนิงนั่งเข้าฌานตรวจสอบด้วยทางใน เสียงในนิมิตบอกว่าให้คามนิมิตบอกเมื่อทราบแล้วดังนั้นให้ข้ามหรือลอด มีหินย้อยลงมาคล้ายหลุมฉากเล็กๆซึ่งตอน เป็นแต่เมื่อเข้าไปแล้วขนาดคนธรรมดามุดคลานเข้าไปได้ทีละคนมาจะ ทุกคนตามไปดูเมื่อเห็นทางเข้าดูเล็กๆที่ต้องมุดเข้าไปทีละคนได้ความกลัวสุดท้ายไม่มีใค่กล้างเข้าไปในถ้ำเพราะหลายคนเมื่อนั่งสมาทิเห็นนิมิต súper mallorgy whirring Jur ร่วงปรู้คำคะนิงจึงเข้าไปคนเดียวและบอกให้ทุกคนท้อยหากออกจากปาด เถื่อมีอะไรอันตรายไม่คาดคิดจะได้ปลอด ชีพเพิ่งประเสริฐสูงอันมีเจ้าป่าเจ้าเขาจะขออนุญาตเข้าไป และเปิดทางถ้าหากมีจริงให้แก่อัตตภาพด้วยเธอ หลวงปู่คำคะนิงก็จุดเทียนเล่มใหญ่มีเตรียมมาในย่ามหลายห่อแล้วมุดคลานเข้าไปในรูดำมืดนั้นเข้าไปลึกประมาณ 200 กว่าก็ทะลุออกก็ทะลุออกโคหาถ้ำข้างใน 5 วาเพดานสูงมีหินย้อยจากเพดานและผนังถ้ำสีขาวมนๆ บางเป็นภูพวงห้อยลงมาคล้ายม่านหรือ พอที่จะซึ่งลึกแค่เอวมุดเข้าไปได้ซึ่ง ปิดทางอุโมงค์ไว้เอ๊ะนี่มันยังไงหลวงปู่คําคะนิงแปลก คอยพิธักรักษาปากถ้ำไว้เป็นแม่นมันท่านจึงกําหนดจิตๆว่าโอ๊ยผู้ขาขอเข้าไปเบิ่งบูชาหูบูชา ถ้ามีอะไรขอดูหน่อยไม่มีเจตนาอย่างอื่นได้อรอดทันทีที่อธิษฐานจบลงจอราเคหินจมตัววูบลงไปกบดานอยู่ใต้น้ำเรามีชีวิตอนุญาตให้หลวงปูคำขนิงหลุยน้ำข้ามหลังมันไปโดยสะดวกจากนั้นก็คลานหมดเข้าไปในปากอุโมงดำมืดนั้นอุโมงลาดต่ำลึกลงไปยาวประมาณ 30 วา พอทะลุถึงอีกคูหาถ้ำเช่นสีน้ำแดงและเหลืองรูปร่าง สลับสรรพสอนคล้ายตำหนักที่เทพระเจ้าสร้างไว้เมื่อกระทบแสงไฟเทียนจะเกิดกระกายระยิบระยับดุดโรยด้วยก่าบเพชร์สวยงามวิจิตพิศดาณมากตรงกางถ้ำมีสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งตรางานอยู่ทำให้หลวงปูคำคนิงต้องตะลึกจังงางสิ่งมีชีวิตนั้นคือพยางูตัวใหญ่เท่าตนตาล ชูคอขึ้นสูงท่วมหัวในตาเขียวเปล่งประกายเจิดจา คล้ายแسงมรกต ด่อมมองมาอย่างหลวงปุคำขนิงอย่างหน้าสพรึงกรัวเป็นพย่างูที่ไม่มีง fids จะกลัวไม่ได้ถ้านึกกลัวจะเป็นอันตราย ต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมพุทโธพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆท่องพุทโธตัว 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงอยู่ มีพุทโธตัวเดียวพุทโธตัวพุทโธพุทโธแล้วหลวงปู่คําคะนิงได้ๆว่าอาตมาภาพถือสัจจะที่ เพื่อเป็นไม่เอาไปหรอกบุญตาด้วยเถิดตัวมันยาวใหญ่มากดูชมเฉยๆ แล้วสงบหัวให้คล้ายเป็นเชิงบอกให้ ท่านเข้าใจได้โดยวิถีจิตว่าพญา คล้ายม่านแคลริ้วพญางูพยางูพงกหัวขึ้นขึ้นลงๆคลายจะบอกให้ลงไปในรูนี้หัวท่านถือเทียงจุดสว่างลงไปในรูนี้ตามหลังมันไป ทางลงราบปื้นเกลี้ยงเกลาเพดานและผนังอุโมงค์ทางลงกระทบแสงเทียนเป็นประกาย อุโมงค์นี้พุ่งตรงไปยังด้านทิศตะวันออกคือ ว่าเดินไป 1 วันเต็มๆไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นคูหาทํากว้าง นวมปรูคำคาเนิงรู้สึกหายใจไม่ออกไม่มีอากาศหายใจจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นว่าโอ้ยข้าโน่ขอให้ได้เห็นซิงสักษิร์เธอดข้าโน่อยากบ่ง อย, อย อยdevau อธิษฐานจบก็มีอากาศหายใจอย่างสดชื่นรู้สึกร่างกายหายเหนื่อยกระปี้กระเป๋าตอนนี้ ตะยางูเมื่อออกเดินไปซึ่งหยุดดู 20 วามองขึ้นความรู้สึกบอกว่าเห็น เวลานี้ท่านกำลังอยู่ในอุโมงค์แก้วเมืองบาดาลใต้แม่น้ำคงพญางูเลื้อยนำทางเข้าถ้ำโนนออกถ้ำนี้หวกไปวนมาคล้ายรวงพึ่งยักษ์แต่ละถ้ำสวยงามพิสดารด้วยหินงอกหินย้อยตามผนังถ้ำรุ่งเรืองไปด้วยแสงแก้วมณีสีต่างๆไปเรื่อยๆ 3 วัน 3 คืน ไม่ได้ฉันข้าวฉันน้ําอะไรเลยแต่ไม่รู้สึกหิวโหยหรืออ่อนเพลีย จนกระทั่งมาถึงแม่น้ำไส้ 1 ไหลๆระยิบระยับอยู่ใต้พื้นน้ำ หลวงปูคำคะนิงตัดสินใจเดินหลุยน้ำข้ามไป พอหลวงปูคำคะนิงขึ้นถึงฝากฝั่งตรงค้ามก็ต้องปreci Coronikaол เมื่อพบว่ามีรอยมนุษย์พ Aladdin แต่ไม่เห็นตัวคนรอยนั้นเปลียกน้ำอยู่แต่ไม่เห็นตัวคน หลวงปูคำคะคะนิงก็ล่วงรู้ได้โดยสัญชาติurpose แม่น้ำสายนี้ เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ขวางกั้นด้านชั้นในเข้าสู่เมืองพญานาคใต้พิภพเมื่อพวกพญานาค แต่เพื่อป้องกันหลงทางในตอนขากลับเพื่อป้องกันหลงทางในตอนขากลับจึงได้เก็บ กลายเป็นสีทองเข้มเป็นทองคําทั้งแท่งออกไปสู่สาย มีพระผุทร์รูปทองคําตั้งเรียงรายไว้เป็นชั้นๆมากไหมสุด expands ண trendy แตนและฉันทำด้วยหินผลึกและเชิงเทียนตั้งเรียงรายตัวกละทางเป็นสีมรกฏจางใสโตขนาดช่วงแ Double สำหรับปักธูปซึ่งเทียนที่จุดมีทั้งเทียนขาวเหลืองแดงทัดออกไปๆ ตามลวดลายกนกทรงแสงวุกวับเป็นประกายดุจดวงดาวนับ ไม่ได้เข้าชาญถอดกายทิบไปแต่ไปด้วยร่างกายแก่เท่าของปุนี้แหละหลวงปุยังเข้าไปอกก่อนพระปหาเจดีทองคำเลยเป็นทองคำจริงๆเนื้อแน่นหนาทึบเย็นเหมือนน้ำหลวงปุดูละเอียดหมดยังได้จุดทุกทีนในพัชนะแก้วทองสการะเลยมีคนถามหลวงปุว่า หลวงปู่พบพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเปล่าหลวงปู่ตอบว่าไม่มีพระเลยสักองค์จริงๆกุฏิหินอ่อน ไพรเป็นวัดร้างหลวงปู่กล่าวว่ามีผู้สร้างขึ้นไว้ไม่ใช่มนุษย์บนโลกสร้างแต่ สามารถจําแปลงสร้างกุศลในพุทธศาสนาเป็นแล้วก็เลยไปทางสะใหญ่หนุ่มและหญิงสาว แล้วสองข้างทางเป็นต้นไม้มีทางเดินปูลาดด้วยแผ่นแก้วสีขาวมน ละมาน 2 เป็นคนนี่แหละแก่เท่าแล้วคนผู้หนึ่งนั่งแต่แก่คนนั้นเป็นพระแก่บอกว่า ข้าเจ้าไม่ใช่พระอย่าไหว้ข้าเจ้าให้เป็นบาปเลยข้าเจ้าเป็นตปะโสหรือดาบสฤาษีแล้วก็มีคนถามหลวงปู่ต่ออีก หลวงปูบอกว่าพวกกรฤษีดาบทที่บําเพียญพราะเจริมภวนาาในพระธรมจนบรรลุอภินญญาสมาบัตรชั้นสูงพวกทันนย่อมมีอํานาจสามารถยืดอายุเวลาให้ยืนนานออกไปได้นับพันพันปีอันนี้หลวงปู่เชื่อว่าเป็นความจริงมันเป็นวิชาลึกลับแกงลี่ผี เบื้องทิศใต้นครจัมปาสักลงไปแม่น้ําคงนั้นมีเกาะแก่งมากมายนับร้อยๆเกาะ ตกลงไปในแก่งลี้ผีจนแหลกละเอียดหมด ชอบไปคนไปรบกวนไม่ได้ลวงปู่ถามดูแล้วอยู่ที่นั่นเพราะเงียบสงบ เพียงพวกพญานาคนี้ก็ถือว่าเป็น 3 วันแล้วต่อจากนั้นก็ ทำไมไม่เห็นสักคนเดียวท่านตอบว่าพวกชาวก็ได้ห้ามไว้หลายคนคงสงสัยว่าทําไม ข้างในหากมนุษย์เข้าไปแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นเลยกลับออกมาไม่ได้ถ้ากลับออกมาต้องตายมนุษย์ที่เข้าไปได้เขตมีวิชาอาคมหากมนุษย์เข้าไปแล้วจะ ต้องจ่มพันสายอยู่ในวังพญานาคตลอดไป ท่านกลับออกมาอีกไม่ได้ดังนั้นอยู่เป็นสมภารเจ้าวัดในเมือง อาจแพ้พิษของพวกพญานาคได้เพราะในอาณาเขตใต้พิภพเมืองบาดาลนี้พวกพญานาคใครพิษอันตราย ก็พบเขามารออยู่แล้วงูค้ากลับนี้ตัวนั้นอีกแปลกแท้ๆเค้ามารออยู่ มาประมาณเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วในราวบ้านแก่นยาม อ่ะพวกชาวบ้านจากจังหวัดศรีสะเกษมาไหว้หลวง 2 คันรถเลยพวกอาจารย์คำดีอยากได้พระเครื่องของโบราณใน ลำพังพวกพระพวกโยมที่มาจากศรีสะเกตกลัวจะแพ้ พอได้ตั้งใจไว้อยู่แล้วเหมือนกันอยากจะไปพิสูจน์ความ หลวงปู่ไม่ยุ่งด้วยกับพิธีของเขาหลวง หลวงปู่ก็ฉุดแขนพระอาจารย์คำดีจะให้มุดเข้าถ้ำเช่น พยามงูใหญ่ออกมาจะทําให้พวกเขาตกใจกลัวอาถา หลวงปู่ไม่ได้อะไรออกมาฝากพวกพระอาจารย์คําดี อย่าลืมกด Subscribe จะ